เรครจะต้องตอบยังจำในใจรักชั่วทาําดีทําใจเหลใสชีวิตลำตายจะได้เป็นชูวสวัสวัสดรับต้าไฟเมตูบินตาเติวเวนขึ้นมา และก็ น, นำมาไลฟฟังปัิญาปรัมปราราจ่าเมื<า>่อท่านมหาเสนาบดีโดยเดินทางมาถึงที่เมืองหลวงองคแควนพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วในทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งก็ได้เรียกตัวท่านมหาเสนาบดีให้เข้าไปพบเพื่อ น, นัดแนะเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับส่วนกลาง หรือกองกำลังทหารในเมืองหลวงในระหว่างที่กระบวนด็จเดินทายังแคว้นกัรชนฝั่งทิศเหนือหรือแควน้นพระราชบิดาของพระราชาเกะกะเกตเ ล, เล่ลน่เจ้าทหาเสนาบดีกะเด้มอบหมายในาทหารของตัวท่านที่อยู่ในหน่วยติดต่อสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับเครื่องนี้นะจ๊ะดังนั้นนาทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ยังได้เตือน และแนะนำท่านมหาเสนาบดีด้วยอีกว่าให้ระมัดระวังตัวและคุ้มกันพระราชรสอย่างเต็มความสา ม, มารถเพราะทางการยังไม่ทราบถึงสถานการณ์และท่าทีที่แท้จริงของทั้งแคว้นการชนฝั่งทิศเหนือว่าจะมีความเป็นมิตรกับแคว้นของพระราชาคนที่ออกบัวจริงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไว้วางใจและก็ไม่ควรประมาทแต่การเดินทางครั้งนี้เป็นอันขาดซึ่งในตอนนั้นสถานการณ์ทางกองทัพภายในแคว้นพระราชาที่ออกบวชก็ได้มีการแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายอย่างเห็นได้ชัดของก อ, องทัพนะจ๊ะโดยฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายของเซนาบดีผู้ใหญ่ที่ชอฉชน ได้มีความไว้วางใจทางแคว้นการชนฝั่งทิศเหนืออย่างสุดๆเรียกได้ว่าเป็นฝากฝ่ายของแคว้นนั้นเลยก็ว่าได้ออสวนิีฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายของนายทหารท่านผู้ใหญ่อี่เตือนในทางมหาเสนาบดีระมัดระวังตัวในการเดินทางครั้งนี้กลับมีความเห็นว่าทางแคว้นการชนฝั่งทิศเหนือ มีท่าทีที่ไม่น่าไว้วางใจลาจะกำลังหาวอการบุกขโจมตีแคว้นของพระราชาที่ออกบวชอยู่ได้เห็นได้เองจึงทำให้ในทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ได้เตรียมความพร้อมของกองทัพเอาไว้อยู่เสมอเพื่อป้องกันการบุกโจมตีของข้าศึกที่อาจจะบุกขโจมตีได้ทุกเมือ่อ นายจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยจะมีบทบาทสําคัญต่อทางแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบทแล้วนายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ยังถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อท่านมหาเสนาบดีเป็นอย่างมากอีกด้วยที่กล่าบชั้นนี้เนี่ยทั้งนี้ก็เป็นเพราะในทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้เป็นผู้ที่ช่วยกันผลักดันในท่านมหาเสนาบดี ได้รับตำแหน่งเสนาธิการทหารระดับกองทัพภาคซึงรงประจำการอยู่ที่เขตหัวเมืองชายแดนที่อยู่ติกับแคว้นการชนฝั่งทิศเหนืออีกทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ยังคอยให้คำปรึกษาและเป็นแบ็กอัพหนุนหลังให้กับท่านมหาเสนาบดีมาโดยตลอดซึ่งสาเหตุที่ทำให้ในายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ ได้คอยช่กันผลักดันและให้คำปรึกษาท่านมหาเสนาบดีมาโดยตลอดนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายเสนาบดีผู้ใหญ่ที่ชอชนได้พยายามทําทุกวิถีทางที่จะผลักดันคนของตัวเองให้ไปดำรงตาแหน่งสูงสุในวงการทาหารและชนชั้นปกครอง ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองในหลายหลายหัวเมืองที่อยู่กใกล้กับชายแดนของแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือและรวมไปถึงตำแหน่งแม่ทัพพ่ายที่คุมกําลังกองกําลังทหารในเขตหัวเมืองชายแดนที่อยู่ติดกับแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนืออีกด้วยเป็นต้นได้เห็นนี่เองจึงทําให้ในทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ต้องการคนที่ซื่อสัตย์เฉลียวฉลาด แล้วก็ไว้วางใจได้เพื่อที่จะให้ไปทไําหน้าที่ควบคุมกองกําลังทหารในเขตพื้นที่บริเวณดังกล่าวและเพื่อเป็นการคาหน่ากับฝ่ายพลพรรคของเสนาวดีผู้ใหญ่ที่ชอบชนอีกด้วยนั่นเองเออโลกนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่น้ <Yeah. S 1> ็เป็นใจอี้เนาะ <Yeah. S 1> และเมื่อนาทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ได้ขึ้เลือและเฟ้ทหารในทหารมือฉมัง จะมีคุณสมบัติดังกล่าวทั่วทั้งกองทัพแล้วในทหารจำพิจัยกลุ่มนี้ก็เด่นเล่งเห็นว่าท่านมหาเสนาบดีเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดและเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมในหลายๆด้านก็จะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องความรู้ความสามารถและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องความซื่อสัตย์และความจรรรักพดีต่อพระราชอรส อย่างแท้จริงนั่นเองว่าเป็นเช่นนี้จริงทาให้ในายทหารชั้นผู้ใหญ่กรมนี้ได้คอยช่วยกันผลักดันและให้คำปรึกษาท่านมหาเสนาบดีมาโดยตลอดอีกทั้งยังช่วยกันสนับสนุนที่ทำมหาเสนาบดีมาทำหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรสหรือพระราชาที่ออกบวชน ะ, ะในระหว่างการเสด็จเดินทางไปเจริญ สนักนายสตรีกับแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือในครลังนี้ด้วยนั่นเองหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้เข้าไปพบกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้แล้วท่านมหาเสนาบดีก็ได้วางแผนจากการเตรียมกองกําลังทหารปร้อมกันขบวนสเสด็จของพระราชโอรสหรือพระราชาองค์ที่ออกบวชอย่างรอบคอบรัดกลุ่มและปลอดภัยที่สุด จะเรียกเด้ว <Weekly shut out> <spe> ่าท่านได้ปิดโอกาสความผิดพลาดให้กลายเป็นศูนย์เปเซเลยทีเดียวหรือว่าท่ามหาเสนาบริดตเตรียมการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทํามหาเสนาบดีก็ไม่รอจ้าได้ก็ไปกราบข่มทูลเชิญพระราชโอรสแล้วก็ออกเดินทางไปยังแคว้นกันจนฝั่งที่เหนือในทันที ซึความตั้งใจในการเสด็จเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับแควนกัรชนฝั่งทิศเหนือของพระราชโอรสในครั้งนี้นั้นร่องทรงมีพระประสงค์หรือมีความปรารถนาอยากที่จะให้บ้านเมืองเกิดสันติภาพอย่างแท้จริงเราจะหาบ้านเมืองเกิดสันติภาพอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยจะทําให้ประชาชนโดวทั้งแขวน สามารถทํามาหากินกันได้ยังมีความสุขโดยที่ไม่ต้องวาดผวาและก็ไม่ต้องวาดระแวงต่อไปสงครานต์เด็ดๆถึงสิ้นเลยในระหว่างที่กขบวนสเสด็จ ก, กําลังเดินทางไปที่แคว้กนการจอนฝั่งทิศเหนือนั้นจักรพรนาบดิกฤติสองพนทหารโดยสอดแนมไปสืบข่าวล่วงหน้าเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย และความปลอดภัยของทุกๆพื้นที่ที่ขบวนเสด็จจะต้องเดินทางผ่านและพธ ร, รมหาเสนาบดีได้ตรวจเช็กจนกระทั้งมั่นใจและแน่ใจแล้วว่าพื้นที่ข้างหน้ามีความปลอดภัยชัวชัดเป๊ะเกินร้อยเปอร์ซต้องเป๊ะธ ร, รมอาเสนาบดีถึงจะนํำขบวนเสด็จเดินทางต่งตอไปในความละเอียดรอบคอบท่านมหาเสนาบดีนี่เอง จึงทำให้ตลาดเส้นทางการเดินทางไปในแควงพระราชทางที่ออกบวชมีแต่ความราบเรื่มและปลอดภัยแบบไร้กังวลเมื่อบุคคลเสด็จของพระาราชโอรสในเดินทางมาถึงบริเวณเขตชายแดงแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือแล้วท่นานมหาเสนาบดีก็ได้รับการแจ้งข่าวจากม้าเร็วที่ส่งตรงมาจากส่วนกลาง หรืกองกาลังทหารในเมืองหลวงของแคว้นพระราชาที่ออกบทว่าให้อารมัดระวังตัวให้มากขึ้นซึ่งขโมนที่ได้รับมาจากส่วนกลางนั้นก็ได้มีความสอดคล้องกับขมูลจากสายข่าวที่จะมาเสนาบดีดี๋วางตัวไว้ในเมืองหลวงแคว้นกันจนฝั่งทิศเห น, น, นือเช่นกันแสบพอกันเลยนะโดยสายข่าวท่นก็ได้รายงานมาว่า ขณะนี้ที่มีกลุ่มโจลปริศนาออกระว่าในเขตพื้นที่บริเวณนั้นพอดี oh. พระสันมหาเสนาบดีได้รับข้อมูลมาเช่นนั้นแล้วท่านจึงได้เรียกประชุมเหล่าบรรดาขุนพลในทหารองครักษ์ทั้งหมดประสังการคุ้มกันพระราชโอรสให้รัดกุมมากขึ้นไปอีกนอกจากท่านมหาเสนาบดีจะเพิ่มความระบัดระวังเรื่องการคุ้มกันพระราชโอรสหรือพระราชวที่ออกบท ยังรัดกุมให้มากขึ้นแล้วแต่หมหาเสนาบดียังได้สองพทหารเข้าไปเคลียร์พื้นที่ล่วงหน้าก่อนอีกด้วยแต่ด้วยความที่พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่าที่มีความรกชัดและมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่อย่างหนาแ น, น่นเออดูสวยดีเงินเนะาะ ในเหตุที่เองจึงทาให้พลทหารเหล่านั้นไม่สามารถที่จะตรวจสอบหรือเคลียร์พื้นที่ใดหมดเพราะเป็นพื้นที่ป่าและพระธรรมอสสนาบดีทราบเช่นนั้นท่านยังได้จัดรูปแบบของกระบวนทัพใหม่ในท่านได้สั่งการให้เหล่าในทหารองครักษ์กระจายกําลังคุ้มกันกระบวนเสด็จแบบรอบด้านพเพื่อเตรียมร้อนสำหรับการตั้งรับข้าศึกอยาก จ, จะโจมโจมได้จากทุกทิศ ท, ทุกทาง โอ้ทำไมฉลาฉลาด <Yeah. S 1> ซึ่งในขณะที่กระบวนเสด็จกำลังเดินทางกันไปในพื้นที่ที่เป็นป่ารกชัดอยู่นั้นทันใดนั้นเองเหตุการณ์เลวร้ายที่ท่านมหาเสนาบดีคาดการเอาไว้ก็พลันบังเกิดขึ้น oh. นั่นก็คือได้มีกลุ่มจรนร้ายปรากฏตัวมาจากทุกทิศ ท, ทุกทาง oh. แล้วก็กระจายกำลังขจูดโจมกระบวนเสด็จแบบรอบด้าน พระมหาจะจูโจมจุดศูนย์กลางของขบวนเสด็จซึ่งเป็นตำแหน่งที่ประทับของพระราชโอรสนั่นเอง oh. s <S วันนี้โหดหน่อยนะจ๊ะ s <S และการต่อสู้ตะลุมบอลกันอย่างเดือดเดือดเลือดพ ร, ราณาณอารวางกลุ่มองค์กรักผู้พิทักษ์ขบวนเสด็จของพระราชโอรส oh. กับกลุ่มพวกโจรร้ายหรือกองโจรปริศนา oh. ก็ได้เลิ่มขึ้นโ oh. ดยท่านมหาเสนาบดีกระเดศสั่งให้ กองกำลังทหารที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังคาสึกให้ออกมาขนาบโจมตีกลุ่มโจนทั้งด้านหน้าและด้านหลังโอ้ oh. oh, เล่นฉลาดนะ oh, oh, oh, oh. และขณะที่ท่านเสนาบดีกาลังวาดดาบฟาดฟันหมูจโจนที่กรรมตีรันมันแทงอย่างเจริญวุ่นลบอยู่นั้น oh. ท่านมหาเสนาบดีก็ได้สอดสายสายตามองหาหัวหน้าโจรไปด้วย oh. ลบไปด้วยมองหาไปด้วยเนาะ นี่ไม่ธรรมดาทันทีที่เหล่ากองกำลังทหารท่านมหาเสนาบดีที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเข้าจู่โจมตลบหลังพวกกลุ่มโจมปริศนาแบบรวดแล้วรุนแรงและเฉียบขาท่านพวกกลุ่มโจมปริศนาก็ถึงกับแตกคือด้วยความตกใจสุดขีด เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะพวกกลุ่มจร น, นึกไม่ถึงเลยอาจะมีกองกําลังทหารเข้ามาตลบหลังและกระชับฟงล้อมโจมตีพวกตนรากะปิดประตูตีแมวเช่นนี้แล้วกาอนั้นที่พวกกลุ่มจรก็ได้ส่งสายสื่อมาตรวจการและก็ได้มอวางกําลังพไปซุ่มโจมตีพว้ก่นลุ่งหน้าแล้วแต่พวกกลุ่มจรที่ถูกซองตัวมาล่วงหน้าก็ไม่เห็นว่าที่ตรงนั้นจะมีสิ่งมีชีวิต ที่เรียกว่ามนุษย์หรือมีความผิดปกติอะไ ร, รนอกเหนือจากต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นอยู่ดาดดินทั่วไปเท่านั้นรเรื่องนี้มีเหตุคือสำหรับกลเม็เด็ดพลายนี่นะจ๊ะที่ทํากองกลังทหารท่านมหาเสนาบดีทินซ่อนตัวอยู่ด้านหลังสามารถจุดจอมพวกจนอนยามทันตังต้งตัวราวกับปิดประตูตีแมวน้น นี่ก็เป็นเพราะท่านมหาเสนาบดีได้ลายเวทบังตาบังตาพุทหารกองซุ่มท่านเอาไว้โดยพุทหารกองซุ่มข้าใบไม้ที่ปลุกเสกคาถาคมเอาไว้ในปาก มาเป็นเจีนี้ oh. <laughs> จึงไปถอนทาไมพวกโจรทั้งหลายมองเห็นพวกทหารกองส้ม oh. เป็นต้นไม้หรืกอกิ่งไม้ที่กลืก่นไปกระกรทำบรรชาติโดยรอบแล้วพ oh. ูดง่ายๆพวกโจรทั้งหลายมองไม่เห็นพวกทหารกองส้มท่านมหาเสนาบดีที่ล้อมพวกโจนเอาไว้นั่นเองโอ้ oh. oh. เล่นฉลาด <Yeah. S 1> <laughs> และเดินระวังที่กองกําลังทหาร รักษาพระราชเรื่องท่านมหาเสนาบดีกำลังตีอบและกระชับวงล้อมพวกกลุ่มกองโจรปริศนาอยู่นั้นท่นมหาเสนาบดีก็ได้สั่งให้คุณพลฝ่ายจัดทัพนำกำลังทหารกองซุ่มบุคโจมทีพวกโจรให้แตกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยแล้วก็หาทางจับเป็นตัวโหนาโจรมาให้ได้กรต้องการจะนำตัวโหนาโจรมาสอบสวน และเค้นหาความจริงอะไรบางอย่างเราได้วความเป็นจริงแล้วพวกโจรเนี่ยไม่น่าจะเข้ามาปล้นกระบวนสเสด็จที่มีกาลังทหารกองกำลังทหารคุ้มกันอย่างเต็มที่ได้ในทางพวกโจรปริศนากลุ่มนี้ยังมีการวางแผนการจู่โจมที่เป็นระบบระเบียบซึ่งผิดแพกแตกต่างจากลักษณะของโจรปา่าทั่วๆไปอีกด้วย ในที่สุดเมื่อกองกาลังทหารของท่านมหาเสนาบดีเนี่ยได้ล้อมจับพวกโจนและหัวหน้าโจรได้เป็นผลสําเร็จแล้วพวกกลุ่มโจรก็ยอมจํานวนอย่างสิ้นลายแล้วท่านมหาเสนาบดีก็ไม่รอชา้าทีนําพวกโจนและหัวหน้าโจรมาทรมอนนะประเคนหาข้อมูลทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของการซุ่มโจมตีของพวกกองโจนในครั้งนี้ แล้วธมหาเสนาบดีก็ได้ทราบความจริงอันน่าระทึกใจว่าแท้ที่จริงแล้วพวกโจรเหล่านี้เนี่ยบางส่วนบางส่วนนะจ๊ะก็คือพวกทหารที่มาจะแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือและบางส่วนก็เป็นพวกโจรป่าที่ถูกหลอกเ้มาร่วมป้นโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นกระบวนด็จ ข, ของพระราชโอรส เตียแผนการทั้งหมดนี้เป็นแผนการอัมหิตที่มีการเตรียมการเป็นอย่างดีแล้วจากภายในแคว้นการชนฟังทิศเหนือเรเห็น oh. ไ, ได้ชัดว่ากลุ่มจรส่งกลุ่มนี้รู้เส้นทางและตำแหน่งที่แน่นอนขอ ง, ของกระบวนเสด็จของพระราชโอรสเป็นอย่างดี oh. นี่เนาะภายหลังจากที่ท่านมหาเสนาบดีได้รีข่าวจากหัวนหน้าโจน จนหัวหน้าจนเริ่มรอแร่ปางตายแล้วอลีสะรอแล่เลยไม่ทราบวราฤติยังไงเนาะตัวแกริษศ์สาถึงเส้นทางการรับข่าวสารของแผนการอัมมหิตนี้พร้อมกับรู้อีกว่าทหารแผนการรอบสังหารพระราชรถหรือพระราชาที่ออกบวชในครั้งนี้สำเร็จลงจริงๆ ทุกฝ่ายก็จะพากันคิดว่าการรอบสังหารในครั้งนี้เป็นแค่ฝีมือของพวกโจรป่าเท่านั้นแต่ถ้าแผนการไปไปตามนี้กองทัพกัแควแนกันกชนฝั่งทิศเหนือ mm hmm. ก็จะได้หาเหตุยกทัพ บ, บุกเข้ามาตังเขตโอเมืองชายแดน mm hmm. โดยอ้างว่าจะเข้ามาช่วยจับโจรที่สังหารพระราชโอรส mm hmm. และจากนั้นก็จะเถี่ยวการบุกโจมตีแคว้นพระราช า, าที่ออกบวชจนถึงเมืองหลวงเลยนั่นเอง เมื่อท่านมหาเสนาบดีได้รับทราบถึงแผนการอำมหิตของแคว้นกัรจนฝั่งทิอกเหนือเช่นนั้นแล้วท่านมหาเสนาบดีจึงไม่รอช้ารีบส่งม้าเร็วไปรายงานเรื่องนี้กับนายทหารท่านผู้ใหญ่กลุ่มที่ให้การสนับสนุนท่านมหาเสนาบดีที่เมืองหลวงในทันทีพ ร, ร้อมก็ส่องตัวพวกกลุ่มโจรลรอบสังหารทั้งหมด ให้กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มที่ให้การสนับสนุนท่านหมหาเสนาบดีเพื่อจะได้ทําการสอบสวนหาตัวการใหญ่ตอบไปรั oh. ดรีจดจนลออแหลแล้วเนะ <c oughs> ยังส่งต่ออีกเนาะ <c oughs> ซึ่งแผนการลอบสังหารพระราชโอรสอย่างองอาจและดูเดือดเลือดพระรารในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้พระราชโอรสหรือพระราชองค์ที่จะออกบวชในอนาคต สงเกิดการหวาดฝันพระั่านพลึงหรือรู้สึกเกรงกลัวเลยไม่ตน้อยทั้งตัวพระงเองก็ทรงมั่นใจในฝืมือของท่านมหาเสนาบดีที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมและการเสด็จเดินทางของพระราชรถครั้งนี้ท่านมหาเสนาบดีก็ได้วางแผนทุกอย่างเอาไว้อย่างรอบกรบรัดกุมทิดที่เรียกได้ว่าไม่ยอมให้มีอะไรมาแตะต้องที่ทําให้พระราชรถต้องระคายเคืองพระวรากายอย่างเด็ดขาดอ รกรอบกับก่อนหน้าที่ท่านมหาเสนาบดีจะเดินทางไปถึงบริเวณป่าทึบที่เป็นจุดเสี่ยงนั้นทางนทหารชั้นผู้ใหญ่กล่มที่ให้การสนับสนุนท่านมหาเสนาบดีก็ได้ท่านมหาเสนาบดีไปทูลขอคำปรึกษาและเสนอกับพระราชโอรสว่าจะขอเปลี่ยนเส้นทางการเสด็จ คือจะขอให้พระราชาอรสเสด็จขึ้นไปทางทิศเหนือเพื่อจเจริญสัมพันธไมตรีกับแวรนกับพระราชาที่มีความจเจริญทางศิลปะแทนถึง oh. พระราชาอรรถหรือพระราชาองค์ที่จะอกบวชในอนาคตก็ทรงเห็นด้วยกับแนวทางนี้พระหากสามารถเชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระราชาแกรนที่มีความจเจริญทางศิลปะได้ ก็จะเป็นการขานอำนาจกันกับแคว้นที่อยู่โดยรอบไปในตัวและเมื่อขบวนเสด็จของพระเจ้ารถแต่มีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายและเส้นทางก่อนหน้าที่จะเดินทางไปถึงป่าทึบที่เป็นจุดเสี่ยงเช่นนั้นท่นหาหมาเสนาบดีจึงได้วางแผนชนิดที่เรียกว่าเซียนเหยียบเมฆยังเรียกฝาโอ้ oh. <laughs> โดยท่านมหาเสนาบดีได้วางแผนในกลุ่มพระรเราลถเสด็จเดินทางไปรอยอยู่ในจุด ท, ที่ปลอดภัยก่อนโอ้ยเล่นฉลาดเลยเพราะท่านมหาเสนาบดีจะคํานึงอยู่เสมอว่าถ้าหากจุดใดเป็นจุดเสี่ยงทออันตรายตัวท่านจะไม่ยอมให้พระราชโอรสเข้ามาอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงนั้นด้อยเด็ดขาดแล้วพูด ง, ง่ายๆว่าความผิดพลาดหรือความเสี่ยงจะต้องเป็นศูนย์อย่างหมดจดร้อเปอร์เซนต์ สนท่านหมาเสนาบดีเองก็ได้ใช้แผนล่อเสือออกจากถ้ำ โ, โดยนำกองกำลังทหารส่วนหนึ่งป้อมตัวเป็นกระบวนเสด็จจำแรงซึ่งไม่มีพระราชโอรสอยู่แล้วก็มุ่งหน้าเดินทางก็ไปในป่าทึบซึ่งเป็นจุดเสี่ยง<อ>คือไปจุดเสี่ยงแทน<อ>ที่ท่านหมาเสนาบดีตัดสินใจทำเช่นนี้ ทา่านนีก็เป็นพระตัวท่านต้องการที่จะรู้ชัดๆว่ากลุ่มโจนเป็นศนาที่ออกอารวาสนั้นเป็นใครและมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือหรือไม่โอทำไมเก่งๆนะภายหลังจากที่ท่านมาเสนาบดีได้พานการประทังกับพวกกองโจรจําแรงที่มาจากแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือ น้าป่าเทพที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วท่านก็ได้ทราบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับกลุ่มโจอปริศนาเหล่านั้น<ม>ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้นฉานั้นท้ามาเสนาบดีก็ได้รีบนํากองกําลังทหารทั้งหมดมาสมทบกับขบวนเสด็จกับพระราโชรสที่กําลังรอยอยู่ที่จุดนัดหมายในทันทีและขบวนเสด็จทั้งหมดก็ได้มุ่งหน้าเดินทางขึ้นเหนือพบเจริญสำ ม, มัญตไมตรีกับแคว้นของ พระราชาที่มีความเจรเินทางศิลปะนั่นเอง oh. แล้วทันทีที่พระราชรถเสด็จเดินทางมาถึงชายแดนของแควน้นที่มีความเจรเินทางด้านศิลปะแล้ว oh. พระก็ได้ทรงพบกับเจ้าชาย oh. ผู้มีศิลปะในหัวใจ oh. ซึ่งในอนาคตจะได้เป็นพระราชาผู้ครองแควน้นจะได้เสด็จเดินทางมาต้อนรับพระราชรถที่เขตชายแดนด้วยพระองค์เองเลย และด้วความไม่ถือพระลงของเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจจึงได้กร่าวทักทายท่านมหาเสนาบดีพร้อมทั้งเล่าขนพรที่ตามเสด็จพระราชโอรสมาด้วยความเป็นการเองเนาะและเมื่อเจ้าชายผู้มีศิลปะหัวใจได้มีโอกาสสนทนาประาศัยกับพระราชโอรสหรือพระราชชายที่จะเสด็จออกบวชในอนาคตแล้ว แล้วก็รู้สึกรากับว่าตัวพระองค์กับพระราชนรสมีความคุ้นเคยกัมนมานานไปเพียงแต่ว่าพระองค์ยังรู้สึกทึ่งในความรู้ความปริชาสามารถของพระราชนรสเป็นอย่างมากอีกด้วยไปหลังจากที่เจ้าชายผู้มีศิลปะหัวใจได้พาพระราชนรสเข้าไปที่เมืองหลวงของแคว้นเฮียเขาพบกับพระราชาผู้เป็นพระบิดาของเจ้าชายผู้มีศิลปะหัวใจแล้ว พระโอรสก็แสดงออกถึงพระปรีชาสามารถในการสนทนาพูดคุยและตอบคำถามต่างๆครับพระราชาผู้ปกครองแคว้นที่มีความเจริญทางศิลปะได้อย่างคล่องแคล่วหรือแม้แต่ผู้ติดตามอย่างท่านมหาเสนาบ ด, ดีก็ยังแสดงไหวพลิบปฏิภาวอันปราเปลืองและไม่ธรรมดาแต่เฉพาะเรื่องการเจรจาความต่างๆกับพวกเสนาบาททั้งหลายนี่ เจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจซึ่งในอนาคตจะได้เป็นพระราชาผู้ครองแควนเด่องเห็นถึงพระปรีชาสามารถรวมถึงไหวพิปฏิพานความเฉลียวฉลาดเพียบมาด้วยพระปัญญาของพระราชโอรสหรือพระราชาองค์ที่จะเสด็จออกบวในอนาคตก็ยิ่งทำให้เจ้าชายรู้สึกเรื่มใสและเคารพในตัวพระราชโอรสเป็นอย่างมากอีกทั้งเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ ยังรู้สึกถูกชะตากับท่านมหาเสนาบดีและเหล่าขุนพลผู้ติดตามทั้งหลายราวกับรู้จักกันมานานอีกด้วย oh. ซึ่งในเวลาต่อมาบรรดาขุนพลผู้ติดตามทั้งหลายเหล่านี้จะมีบทบาทที่สําคัญเป็นอย่างมากในภายหลัง oh. ในระหว่างที่คณกของพระราชโอรสและท่านมหาเสนาบดีกําลังเจริญสัมมันธรมตรีกับแคว้นของพระราชาจะมีความเจริญทางด้านศิลปะอยู่นั้น กลุมขงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนทันมหาเสนาบดีซึ่งอยู่ในเมืองหลวงแคว้นพระราชาองค์ที่ออกบวชก็ได้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนผู้กวนหาตัวการในการลอบพระงคประรรชานพระราชาโอรสหลังจากที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ได้ทำการสืบสวนและสอบสวนอย่างละเอียดแล้วนายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ก็สามารถ ดำนวยการจับกุมตัวสายรับและข่ายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้หลายคนอีกทั้งยังได้บะแสะที่โยงใหญ่ไปถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังแผนการอภิหิตในครั้งนี้อีกด้วยแต่ทว่าในขณะที่การสืบสวนและการสอบสวนของนายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้กําลังดําเนินไปได้โดยดีอยู่นั้น ตอนใดนั้นเองเหตุการณ์ที่เป็ขาดฝันกับพลันได้บังเกิดขึ้นนั่นก็คือพระราชาหรือพระราชาบิดาของพระราชาองค์ที่จะออกบวชได้เสด็จสวรรคตลงดใยโลกปัจจุบันตามประชนมายุของพระองค์ที่มากพอสมควรแล้วซึ่งเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระองค์นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆชนิดที่เรีกว่าสะเทือนฟ้าสะเทือนแผ่นดินเลยก็ว่าได้ ที่กลาเชนนี้ก็เป็นพระประชาชนทั่วทั้งแคว้นต่างก็พากันเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของพระราชาหรือพระราบิดาของพระราชาองค์ที่จะออกบวชอย่างสุดๆนอกจากนั้นเหตุการณ์สเสด็จสวรสครของพระราชายัางทำให้บรรดาข่ายการนายทหารชั้นผู้ใหญ่ต่างก็เกิดความว่าวุ่นใจอย่างหนักอีกด้วย จะเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะในตอนนี้ตำแหน่งของพระราชาผู้ปกครองแคว้นได้ว่างลงและผู้ที่จะสืบทอดอาราชพลังต่อจากพระองค์ซึ่งก็คือพระราโชรสก็ทรงกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างแคว้นซึ่งบ้านเมืองจะขาดพระราชา น, านานไม่ได้ะจะส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารงานอาราชการแผ่นดิน และอาจจะทำให้เกิดความวราสมระสายขึ้นภายในแควน้นและที่สำคัญถ้าหากเรื่องนี้เกิดเรื่องรู้ไปถึงหูของพระราชาของทางแคว้นที่ไม่ประสงค์ดีเข้าพระราชาของทางแคว้นนั้นก็อาจจะรีบยกทัพ บ, บุกเข้ามาโจมตีแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชในช่วงนี้ก็เป็นได้ได้เหตุได้เองในทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลาย จึงได้รีบส่งม้าเร็วไปแจ้งข่าวการเสด็จสวรรคตรของพระราชาให้พระราชโอรสได้ทรงทราบเพื่อกราโทษในพระราชโอรสได้รีบเสด็จกลับไปยังเมืองหลวงของแคว้นเป็นการด่วนเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีสืบทอดราชบัลลังก์ต่อไปทันทีที่พระราชโอรสหรือพระราชาองค์ที่จะออกบวช จรงทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระราชาบิดาผู้เป็นที่รักจริงของพระองค์แล้วเราก็ทรงรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและอะไรกับการจากไปของพระราชาเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ทรงอดทนอดกลั้นและเก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ภายในพระราชาหรือทางของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว แต่ทพระองไม่ได้ทรงแสดงการเศร้าโศกเสียใจให้ใกรใครได้เห็นเลยที่แต่พระงอาจจะทรงแลดูมีอาการทิงเงียบขลึมลงไปบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนตัวท่านมหาเสนาบดีนั้นทันทีที่ท่านได้ทราบข่าวการเสด็จสวัรคตของพระราชาได้ไหวพลิบปฏิภาณและความชานฉลาดในระดับแชมป์ออฟแชมป์ของท่า น, นเอง จึง ท, ทำให้ท่านได้ทราบได้ในทันทีว่าตัวท่านจะต้องรีบนาพระราชโอรสเสด็จเดินทางกลับเมืองหลวงของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชเป็นการดวนได้เห็นได้เองท่านมหาเสนาบดีจริงได้เรียกประชุมเหล่าบรรดานในทหารองครักษ์เพื่อตราเตรียมขบวนเสด็จกับพระราชโอรสในทันทีโดยท่านมหาเสนาบดีก็ได้วางแผน ก่มการขบวนสเสด็จของพระราชาอรรถอย่างหนาแ น, น่นและรัดกุมที่สุดชีนี่ที่เรียกว่าแข็งแกร่งราวกับกำแพงเหล็กฝังเพชรเลยทีเดียวเ oh. มืม่อขบวนสเสด็จของพระราชาอรรถหรือพระราชาองค์ที่ออกบวชในอนาคตได้เดินทางมาถึงเมืองหลวงของแคว้นของพระราชาแล้วข้าราชการในทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายต่างก็ได้มาประชุมร่วมกัน เป็นลมมติเสนอชื่อของพระราชาโอรสให้เป็นผู้สืบทอดอาราชบัลังอย่างเป็นทางการตามกฎแห่งการสืบทอดอาราชบัลังในยุคสมัยนั้นแต่ในขณะที่มีการประชุมเสนอชื่อของพระราชโอรสอยู่นั้นก็ได้มีข้ารายการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งกลา่าวคัดค้านขึ้นกลางที่ประชุมอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดคาดฝัน ตึงกัาการชั้นผู้ใหญ่คนนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นแล้วเขาคือเสนาบดีผู้ชอบชนจอมวงการนั่นเองโดยเสยนาบดีผู้นี้ได้อ้างเหตุผลในการคัดค้านไม่ให้พระราชโอรสขึ้นครองราชว่าแต่พระราชโอรสขึ้นครองราชในตอนนี้ลงอาจจะเป็นชนวนที่ก่อให้เกิดสงครามระหว่างแขวนได้ ในจัรกรพงศ์ไม่ได้เสด็จเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือตามที่ได้นัดหมายกับทางแควนนั้นเอาไว้อีกทั้งพระองค์ยังทรงเปลี่ยนเส้นทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับแควนของพระราชาที่มีความเจริญทางด้านศิลปะอีกด้วยเมื่อพระราชาลดทรงกระทำเช่นนี้จึงทําให้พระราชาของทางแคว้นกันจนฝั่งทิศเหนือ อาจเกิดความขุนเคือมพระไทยเป็นอย่างมากพระอาจารทรงเข้าใจผิดคิดฝ่าพระราชาลดไม่ให้เกียรติพระองค์และมองข้ามความสําคัญของแคว้นพระองค์ไปและด้วยความขุนเคือมระไทรพระราชาประบกรแคว้นกันจนฝั่งที่เหนือ น, นี้เองจึงทําให้ในตอนนี้โระองค์ไทรงยกทัพ บ, บุกเข้ามาประชิดชายแดงของทางแควนของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้ว ในนันระราชาออลรถควรที่จ ะ, สะเสด็จไปเจราจาสร้างความเข้าใจและขอโทษพระราชาของทางแคว้นกันจนฝั่งที่เหนือก่อนและพระองค์จะได้ขึ้นครองราชอย่างสมพระเกียรตินี่ก็เป็นเหตุผลของเสนาบดีท่านนี้นะจ๊ะเมื่อกลุมในทหารชั้นวิใัยที่ทําการสืบสวนและสอบสวนหาตัวการในการลอบพระองคระชนพระราชาออลรถได้ฟังเหตุผลที่สวยงาม เสมนาปดิผู้ช่ชนได้ยกขึ้นมากล่าวอ้างเพะกอคาดการไมให้พระราชโอรสขึ้นครองราชแล้วนายทหารยันผู้ใหญ่กลุ่มนี้ก็ได้รีบยกเหตุผลที่แท้จริงสวนกลับไปในทันทีว่าไซต์ที่ทให้พระราชโอรสจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเส้นทางการจเจริญสัมพันธไมตรีนั้นตอนนี้ก็เป็นเพราะมีการดักลอบพระองพชนพระราชอร ใว่าที่พระองกําลังจัดเสด็จเดินทางเข้าสู่เขตชายแดนของแคว้นกัรชนฝั่งทิศเหนือและเมื่อทําการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ทําให้ไดทราบข้อมูลเบื้องลึกว่ามือสังหารที่ลับพลประชาชนพระราชโอรสนั้นเป็นพวกทหารที่ถูกส่งมาจากแคว้นกัรชนฝั่งทิศเหนือนั่นเองหลังจากที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ ได้ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วแต่ทหารจำพยย่จารณากรมนี้ก็ได้เบิกตัวสายลับที่จับได้นมาแสดงต่อท่ามกลางที่ประชุมพร้อมทั้งโชว์หลักฐานเรื่องการรับสินบนจากทางแคว้กนการชนฝั่งทิศเหนือให้ที่ประชุมได้เห็นกันแบบจะจะอีกด้วยได้หลักฐานเรื่องการรับสินบนนี้ก็ได้บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีข้าราชการหลายคนแต่ความรับของทางแคว้นไปขายกับแคว้นกัรชนฝั่งทิศเหนือและตัการที่สําคัญซึ่งเป็นหนึ่งในข้าราชการเหล่านั้นก็คือเสนาบดีผู้ช่อชนนั่นเองในจากหลักฐานเรื่องการรับสินบนจะสามารถมัดตัว oh. เสนาบดีผู้ช่อชนได้อย่างแน่นหนาแล้ว oh. ก็ยังมีหลักฐานชิ้นสําคัญซึ่งเป็นไม้ตาย ที่สามารถจะจัดการกับเส น, นาบดีผู้ ช, ชนได้อย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวส่วนว่าห <c oughs> ลักถามไม้ตายที่กรมตระหารจำใหญ่ที่ทําการสอบสวนและสืบสวนหาตัวการในการลอบลงประชุมประหลาดลดถึงงั้นจามาเปิดโปงเส น, นาบดีผู้จ ช, ชนนั้นจะเป็นอะไรเรื่องราวน่าจะตื่นเต้นขนาดไหนนั้นก็คงต้องมาติดตากันในไต่ตอ ป, ปอน